2. ภูตะคามวัค 3. อุชชาปนะกะศิขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษเรื่องพระทัพพระมลบุตร103 ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นท่านพระทัพพระมรบุตรจัดแจงเสนาสนะและแจกพัตตาหารสงสมัยนั้นพระเมติยะและพระ ภู ม, มิ ก, กะเป็นพระบวชใหม่มีบุญน้อยเสยนาสนะของสงชั้นเลวพัตนาหารก็ชั้นเลวตกถึงท่านทั้งสองท่านเหล่านั้นจึงกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษท่านพระทัพพะมลบุตรว่าพระทัพพะมลบุตรจัดแจงเสนาสนะด้วยความชอบพอกันและแจกพัตนาหารด้วยความชอบพอกันบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพลพนาว่าชดยพระเมตยะ และพระภูมิกะจึงกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษท่านพระทัพพระมรบุตรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพระเมตยะและพระภูมิกะโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ